เราวง่ย์เมั่นคงเลมธรรมะในศาสนาตัวเองยังเชื่อขึ้นไมเชื่อขึ้นไหมรู้ข่าวมานมีจริงไหมไม่รู้ว่าเขาจะเจ้าพนามีจริงหรือไม่มีอย่างนี้แล้วอย่าไปเผยแผ่ดีกว่าเพาะะแสดงว่าจิตใจเราไม่มั่นคงแล้วถ้าไปเจออุปสรรคหรือถูกติดขีอะไรเข้าเราข้อมิจะล้างกรองหลก้อม่จะเปลี่ยนทิศขึ้นข้อมจะพอเยอะต่อพัฒนาใจอย่างนี้ไม่ได้ลยอยาไปนับผยแผดีแล้วเราไดงมั่นคงอะไรสกอะไรสงสัยกับปัญหาในศาสนาทุกสิ่งปัญหาลี้ยงไปัญหาเกิดปัญหาเลยมีทาง เราเราสงสาร ย, ยู่ต้องฮักฮกันมดมดมดมดมเ ล, นหลยหมดใจหมดใจกันเลยห้หายสงสารหมดเข้างมั่นใจว่าเขามาในรูปไหนเราต้องมั่นใจในรูปนั้นว่าเขาจะมาล้างสมองเราไม่ลราอย่างนี้ล้วเมื่อไรเม่ถูกที่ทคนจะล้างสมองไา้เราก็จะมีกําลังใจบุคลิกต้นลักษณะมีความเชื่อมั่นพร้อมที่จะไปสั่งสอนอบรมคนอื่นเขาให้เขาเชื่อตามที่เราเชื่อก็สิ่งที่เราเชื่อแล้วันนี้แม่ๆเราขเขาเชื่อตามเราได้ยังไงใช่ไหมครับ เราแน่ใจแล้ว แ, แ, แล้วก็แล้วก็สามารถท่า น, นก็เชื่อตามที่เราเชื่อแหละาสาหรับข้อสองเนะน่ยมีวิธีต้องกันแม่สัสนะเป็นเครึ่องมือนักการเมืองอย่างไรอันนี้ก็อยู่ที่เราให้ไปค้นอีกแล้วครับถ้าเรารู้เท่าล้อแล้วก็เขาจะมาต้มเราก็ไม่ได้เขาจะมาอ้างว่าอ้ากศาสนาบางหน้าโดยที่เอาวัตถุกรรมหนึ่งเข้าแทะเรารู้เท่าแล้วเราก็เห็นว่าคนคนนี้เขาพูดในโลคหรือพูดในโธสันหรือพูดในโมหะ เราเ ร, รื่องราคากองจากมหาเศรัฐกับอะไรกันอย่งางผู้หนึ่งเขามิภาพผู้อื่นผู้ทุ่เติดภาพเพราะพวกคนเนี่จะให้เขาติดภาพกับโล ก, ลกลจ่ให้คนพูดอ่ะตอนอื่น ม, มันเพนก็มีสติแล้วเพาะการมันมีโลกสกหลงอ่ะเพราะงั้นอย่ า, า ไ, ไปเชื่อเลยคนที่เราเชื่อน่นคือพาหันเชื่ อ, อ, ผ, อผมเถะครับพาลหันเข้าหน้าทีมม่จะนำสิาพมาให้กัโลกอือจาก้าลหันแล้วอราทานั้นหยเชื่อเพราะนั้นเร า, เราคนี้เราสบายใจเราเชื่อแต่เขาพูดเชื่อเขาทำเชื่อพาลหันกระสุนทัรค แล้วมอจากเขพูดเัาทำให้อาลัาสงะเขาพูดใครป็เทวดาะมันมัเสือทำไไม่เสือแตว่าระยอนกแต่ยัง่เรเดอยู่เนั่นคไม่เสือก็เสือนี่่าาของทเพราะนั้นเมื่อเขาทำกันแล้วคนไม่มีโรคปวดหลงคนนั้นก็พร้อมจะหมีทจะเป็นรื่อหนุงใครก็ได้เออคนนั้นมีสภาพจะหนที่จะเขมาินก็ด้อ่าพร้อมจะหนีทจะ้าอุตกรชินก็ได้คนนั้นพร้มจะนจะเข้าอผมกก็เดือตัวเองพูดคือฝนมาเดือก็ข้างหน้าของ อย่างน้อยก็ค่เขาไม่เกี่ยวะเทืนตัวทัางนั้นไม่เกี่ยวตอเมื่อใดก็เป็นข้าวหันกับคู่ค่หนึสันติฉันจะก้าได้ฉันจะเชื่อเรพูดง่ะแล้วก็ถามเวาแล้วขันเชื่อตายมปคุณไม่ขันเชื่อแล้วนี่ไงนี่ที่แล้ก็ดูว่านีเอ็นดีเเป็นนาผาเาเชื่อขันคู่นี้พ่อพังไปนี่กี่เด็ดเราไปคู่ใครสุดแล้วที่ไปนี่คนอืนไม่ได้เชื่เราก็มั่นใจสร้างปรับคมติดใจปรับคเข้าคณงเราใหม่คือจะ บ้านคุณเราเอาเอาเดยเข้ารับไปเดียวอ่าไเอากอุ้มรับลกรแบบนี้ไดีเราถูกเขาโคตนานาเข้าเราจะลืมลืมตัวไปนึกว่าถึงจริงตามเอาเราต้องวัดใจแม้มีผู้ที่พูดโดยมิจิเดชเลยใจว่าต้องค้นนึกถามตัวมันนี่โลกกดหลงตรงนี้มันคือเป็นความโลกไปคือเป็นความเกิดขึ้นยังน้อยคือปนโมหะเป็นปัจตัยเป็นเชื่ออู่เพราะนั้นโ่กคนที่พูดโลกเกดหลงเป็นเชื่อล้วอย่ามาพูดเป็นป่วยางเลยปากอับแล้วก็ไม่เชื่อ เขาบ่าเนะขาบอลว่ า, าไม่ได้สิเราต้องเชื่อใครคนใคอนนึงให้มั่นหมอลงไปเลยที่เราจะไม่มีความเชื่อไม่ได้แล้วก็ไม่สิเพาะนี่เราเชื่อนี่อันธที่้ไปที่พระครูขันธ์ทีนี้แหละทีงเชื่อคนอื่นเขาไม่เชื่อหรอเอี่เขาจะได้ศาสนะเราก็จะหลุดพ้จากที่อื่นบึ้งนักการเมืองไปใครยังพูกเราไม่เชื่อนั่นอันนี้สำคัญนะครับสาราศสนาคือเตืนเขานะข่ะเขาเชื่อแต่พระเจ้าเขามเชืก็ว่าที่ผู้ถ่ายบาปเขาใครๆเไม่เชื่อหมดพูกบาร์หวงอ่ะ เขาพูดแต่แค่ดูดจะไปพูดใส่าบาปักใจอยู่ไอ้ขาดจ่ายคาาในปาสนาเขาเยงอาจจะร่ายคาถของเขาของเรานะของเราจะมีศูนย์านะอาจจะร่ายคาาของเขาหนาเรียนอาจจะร่ายคาถาบอกว่าเขาปักต่กยตายอมไปถ้ามีใครมาจ้างเขาล้านหนึง่งขอว่าเขาจะพูดดีเขาไม่ยอมรับจ้าผู้บ่าหลวงอะ่ะเขาคือขนาดนั้ น, า น, านอะ่ะคือเขาสามารถอุดร ล, ล้างสมองสู่ในความเชื่อถือความพัฒนียางดีมัก ้าพุทธเราขาดจามพักดีในสักนาตัวเราถูกเขาขวากออกมาทีลประเทศเขา่าเถูกเขขวากออกมาทีลหมดเจิถูก็ตีตีเจิอมาทีระเทศเขามาเทศแต่เวลานี้ผู้ต่สัญญาอะไรยพราอะไรพาพุทธเราขาดความพักดีในชาพุทธก็ทประสค์ไม่มีวพักดีเชื่อเชื่อตะตายมาต่อแม่เชื่อและคืนยงตายมาแล้วที่จะเกิดความพักดีต่อนรู้ต่อรู้คุณค่าของตาสนาว่าอักมาดียังไงถ้าไม่รู้คุณค่าเดพักดีเราตายไรล่ะ ใครข้านราไมรู้สมบัติของเพมนีเราเนี่ยใครมาหลอกเราเลยมัมีกมันไม่ไปเท็ซึิงไปเท็จมันจขีดหนาน่ะเอาดูดกว่าหยิบถึงนี้แล้วก็มันแล้วเรื่อเพเอาไปฮะไอ้ของนี้ทิ้งไปเราไม่รู้คุณค่าของเพชรแล้วทิ้งแต่ก็รู้คุณค่าของเพชแล้วอย่ามาหลกมาตีกินเลยใคเขาอินมาทุ้เสือพูดะิ้งก็ไปยอมทิ้งแค่นี้เขาเรารู้คุณค่าแล้วเราจาม่หยุน่นงขึ้นเรู้เขาจะมาทํายเราเกื่องี่มักลับมีแ่ตอนนี้ชาพวกเราเปอย่างงั้น คุมากไม่รู้คุณค่าตักน้ำพุธจะมีดียังไงไม่รู้ข้อตักน้ำพุธเราแจ้งยาไฟสารนะเกินเรื่อนี้ต้องรอข้าเรื่องนี้รู้จักเลยเนี่ยไม่รู้ตักน้ำพุธเราซื้อสองลังมาจบแล้วอ่านเอาสองวันมาจบวันนึงอ่านนี่อุ่นที่สุดเลยคู่นี้อ่านอุ่นทีุ่ดเลยสองลังจบหลักจากนามบริบูรณ์แหละไม่มีงะไรติดใจแล้วเอาหลักจากสนามเข้าในกระเป๋ากันไดที่มีเงสมุดเล็กๆพักเบ็ดบุ๊กองข้อไป เขงผู้ตาอแาสนักการมีองคืออานเขาคิดเขาจะยึดงานอ่างกลางวันเนี่ีอ่านจบออานคาถาดีกาด้ียอันพระตองวิเศษด้วยอะไรภาพอาจบอ่านนาใดญ่ทีไม่ยาเเกิดไม่าอีาพไม่าพเกิดมาทำับทำลายภาพตายแล้วเกิดเพราะฉะนั้นเน่ะมาถึงันดาว่าเราทำยังไงจะสดุกสาระัญของข allora. ่าวแสสวิธีสรสาระสำคัญของ่าสนาเนี่ก็คือว่าต้องปุกใจปลเกิตใรพักดีแต่ภนาไกลร้างใรพักดีไม่เชื่อใครเว้แต่เชื่อพรพุทธ เขาพูด ก, เเดก็เชื่ อ, อ, อ, อแต่เข า, าพูดไม่เชื่อ้าล้ำพูดก็เชื่อแต่พาล้ำพูดไม่เชื่อแต่คือ่างนี้แล้วเราตัดไป่างนี้แล้วพอแล้วตัดนัทุกเราไม่ถึงขีดมือ่อยสำหรับข้อนี้นะครท่านพระโพธิญาถามถามาว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาเมืองไทยหรือไม่ถ้ามาเหตุฉนันข้อปรบัติสิ่งวิไดระบบไวจะว่ามาก็มาจะว่าไม่มาก็ไม่ม า, า ค, ครับท <laughs> ่านพระสุครับคือพระพุทธเจ้ามา โดยรูปรูปรูปกระขนเพราะเข์ไม่เคยมาเมืองไทยไม่เคยมีระบุในคระไตรเิฎกเล่มไหนคือรูปกระขนนะครับแต่โดนมามาขันแล้วเวลาที่พระองค์ประทัอยู่ในเมืองเราเลยครับท่านพระสงฆ์โดำมังประศรีตัวมังรีติที่ใดที่ทำนั่นจะเห็นเราเพราะฉะนั้นที่ใดที่มันในขณะใดในเมืองไหนในที่ใดก็าพูดกับเราพดกับเขาที่นั่นในที่นันในเมืองนั้นเพราะฉะนั้นโดยรรยายแล้วพระองค์ก็เดินสถิตสถิ่ในเมืองไทยเ็นเวลาเวลาที่คิดจากนประดิษฐานอยู่ จะได้ลูกตาแล้วคาคืเกิดมามุนใครไม่ข้อนี้นะฮะให้ครูที่ปาคํามูที่ขู่ถามมาว่าสเปอธรรมานัตตาทำทั้งหลายก็คือในอนัตตาําทั้งครูหมายถึงนิทานด้วยใช่หรือหม่้าหมายถึงนิทานด้วยนิทานก็คือมีอนัตตาตาไม่มีตัวตนไปด้วยกาแสดงวิริยานไม่มีแล้วเราจะไปกันได้อย่างไรอนัตตาไม่ใช่หมายถึงว่าไม่มีอะไรครับ ไม่หไหมไม่มีอะไรเลยแค่แต่ว่านั่ไีตาอาณาตตาคำภาษาบาลีสองคำนี้ต้องทำความเข้าใจให้ดีนะครับพระพิเศษว่าไม่มีอะไรเลยเป็นผลยากรว่างๆเรื่ต้องเข้คำว่านักสีตาพระพิเศษอาณาตตาเป็นเพียงพระพิเศษว่าไม่ใช่อักตาเทนั้นเองแต่สภาวาของลิพานามีอยู่มีอยู่อย่างนิปไม่ใช่เป็นอักตาแต่ความหมายของนี้มนันจะเป็นลิพานอยู่ ธริทานไม่มีกัจจเินมาเจร์ินเจอรม่เจอร์เป็นธรรมายาอ้กจริรนหาความว่างหรือครับไม่ใช่ธรรมิทานยังมาเป็นทามนของมัคคิกจกัคคิจได้เลยธรริทานนูล้วเป็นอารมณ์ได้นี่เพราะธรรมิทานเป็นสภาวะธรรมเหนือบัญญัติเหนือสมมติเป็นสภาวะนะครัธานมิทเป็นสภาวะธรรมะเป็นธรรมะัตสภาวะนีะ้อยู่ทีครับแต่เพราะว่านีอยู่อย่างไม่เป็นขัตตาถ้าเป็นอัตตาแล้เป็นิทานของการ มันอยากจะให้มีวิญญาณจะสวยการสุกมันมีพานนั่นเป็นของคามรับนิพพานของพุทธน่ะต้องดับไอ้ตัวอยากจะสยสุกไอ้ตัวนี้แหละไอ้พวกเราอย่ห่วง้ตวนี้เถ้าไมนมีตัวแล้วมันจะสุกได้อย่างไรหารูกไม่่ะ้สุกยังไม่มีตัวมันก็มีเน่ย่ถ้ายังมีสุกจะมีตัวอยู่ยังเวทีสุกอยู่ยังข้าไม่ไดนิพพานน่ะพ้นจากเวทีสุกดินเป็นบรมสุขขันธ์ขไปเวทีสุกตุกอยู่ก็ยังเป็นสุกในขันห้า ยังเป็นปลกในบรรดาบยังไม่เถียงยังไม่พุกยังปลเปลยนได้เพราะฉะนั้น อ, นอนันตาเนี่อยาไปแปลว่าไม่มีอะไรแปลได้แต่ว่าไม่ใช่หันตาเพราะนั้นเองแต่ว่าสภาวะของนิทานมัน ม, ม, มีท่านอิทธิคำโมจากสุโหทัยถามมาว่าอาตมามีาการสงสัยเรื่องข้าอินที่อยู่ข้างดาวดึงเดี๋ยวนี้เป็นองค์ที่เทวาย แคียืนที่ล่วงไปรอบอีโอนแล้วแค่อินโอนนี้ติดจากจากขั้นใดดึงเมื่อไรแล้วมีงค์ไหนมาแทนอีกที่ล่วงไปรอวนั้นมีมากมายนับไม่ถ้วดนะครับแต่โอนปัจจุบันนี้ไม่ใช่งอ์เดียวจากมา้ามรณะนครัเอเป็นโอนเดียวจากมาฆะมรณะที่ทาบุญในทำาหมดนละอเดียวกันต่ว่าโอนนี้หลังจากตายจากมา้ามรณะแล้วก็ถึงมาดึงแคอีกเดี๋ยวนี้แหละยังดี ถามว่าองค์นี้จก็จะไปไหนองค์นี้จิตติแล้วไปสวรรค์เขาสูงไปอีกเพาอะไรพระอินเมื่อก่อนนี้ทำเทววุฒิรามกับเข้าไปจิตติพอมาฟังพระพุทธเจ้าเทิด์เรื่องสักรรมาสู่แล้วพระอินอายุต่ออายุยืนไปอีกคือสดาบันมีอะไรที่จะมีสุดาเนี่ยเลยข้ามขามแล้วคือไม่สุดาแล้วไม่นำกองทัพเล่นผูใครแล้วเลิกแล้วถึงขนาดไม่เลิกไม่ล้กูกใครอ่ะเข้าไปจิตติเวลานี้ก็ไปพุทธมามกะเลยเลิกผูกเหมือนกัน ทั้งสองไ่าอาตมาพุทคุณก็เป็นมิตใจตรีกันใหม่เพราะอินโองค์นี้พระสุนุลก็ไปสวดสังฆัานสูงจากนั้นก็เป็นสิทาปานาคาและอาละหันข้าอุทานไปเลยคุณอ์ใหม่ยังไม่รู้เวลานี้ใน่งอยู่ที่น้อเป็นคนบรมีจะเป็นอุใหม่ยังไม่รู้นะครับท่านจุติสวังสูจากภูรีลามถามมาว่าเทวดาเขาก็มีอาหารอันเป็นทิพอยู่ล้แต่เหตุไหนในเทวาปีจึงต้องให้มนุษย์ทาบุญอุทิศไเทวดา อาหที่มนุษย์อุทิศให้นั้นเทวดาจะเสวยได้หรือเทวดาท่านจะตามาประแจไให้เสวยไม่มาหลียวแหลอาหารที่มนุษย์อุ ท, อ ท, ทิศไปให้แล้วครับเทวดาที่จะมาเสวยนะ่เนนะเป็นพวกบริวารพราจะถือมหาราชอานาสัตถาจะถือมัสถาเฮียบาลนาคารมิติกาอุญยันตัอนมิโมจิตตวามีรังคบงทั้งตุพุทธราชนางพวกนี้แหละมาชิมเพราะพวกนี้เป็นบริวารท่านบริวารจะถือมหาราชยังชิมอาหารหนึ่งด้วยแต่บริกรอาหารอยู่ชิลล์อยู่ยบ่า แต่ถ้าบูรพเวลาท่านจะตามากขาจอยแล้วเขาต้องไม่มากินล็อกเขาฟันนี่นะฮะนักศึกษาเลยที่เล่าถึงถามมาว่าตาสณาถึงติดเคยขัดกับตาสนาทุกไหมอาตมาเคยถูกพวกศาสนาติทนิมนต์ไปบ้านได้เห็นเขาใส่บาตรทุกคาำทั้งที่เขาไเคุกในศาสนาเขามากขึ้นฟังสูดนต์ทุกวันตอน้าเจอพระปรวกด้วยแต่ว่าศาสนาติดกับแันตี้จึงตาเว่าเข้ากันอย่างได้อย่างไรเหตุใดจึงขับกัน ศาสนาติกันว่าถึงหลักการศาสนาต้องขัดกันในเรื่องพระเจ้าพุกธเรามีพระเจ้าต้องมีพระเจ้าขัดกันในเรื่องว่าเขามีอาคมันพุทธเราเป็นอนุตาร์ปฏิเสธอาคมันเข้ากันได้ในข้อที่ว่าพุทกับเอ้าต่างก็เกิดในคมภูทวิถีกันทั้งข้าติดภูและมีความรู้สึกเป็นลูกบ้านเดียวกันเอาเข้ากันได้ลูอบ่างเดียวกันแล้วก็ทั้งเขาแต่ลราก็มีสัตว์ปู่ผู้เดียวกันคือพวกขิ้ตะเกียงกันอิสราน เขากระถึกอิสาเอลลายมาที่ยัางแย่ทุกะถูกขึ้นเตีอิสราเอลทลายมาที่หย่างแย่เนี่ยถูกต้องว่าเคยสวยสุดสวยทุกทุ่นทั้งพายเดียวกันมาคามเหกเห็จมันก็มีมากทั้งพาเดียวกันอนะ่ะพุทธติอ่ะที่พวกสิดทำบุลตักบาตก็ไหว้พระนะกต่ไม่ได้ถือภาะเป็นยิยะเขาถือว่าเป็นการทาทานตามหน้าที่ในสนาเขาเปหยาว่างการทำทานเนี่ยเขาไม่ถือว่าภาเป็นพระศิลัยยะเขานาะเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นเพียง บุญกิริยาธรรมดาเท่านั้นเองแล้วขัตติกาวั้าก็ถือว่าถึงใก็ถือว่าอย่างเป็นว่าอย่างขัินรยะไม่หไไม่ดีวอย่าเป็นธรณะไม่พูดง่าว่าอย่างไรหผู้ที่มีอาวุโสสูงกว่าเานั้นเองทำเมือนั้นแต่ยังคอยตามเราว่าาสาที่เกิดในอินเดียแล้วก็ห็นนใจกันมากกว่าอย่างฮินดูพูดกริกเนี่ยไปทุ้เคาเดียวกันเราเคยรู้จาฏามาด้วยกันทห็นนใจกันดีือาสนาที่แแห่นอนละไอระเขาของพูดแน่ เอาว่ากองนั้นกำลังลุกการกองนับพุทธ ท, ท, ท, ท่านในที่แจ้งสิยัดไปเรื่อยท่านทุณไม่แขงวางสายเผยถผ่หมดอันนี้ก็ตอนนั้นที่จะเรืไหนกังนับพุทธเจิดเสื่หนักนนนนอันนี้เราก็ลังเห็นกันอยู่แล้วท่านสุทธิเตโชพิคุถามมาว่าพระพุทธเจ้าเราไม่เคยสเสด็จมาเมืองไทยแต่เราพระพุทธบาทพรลักษมีมีมาอย่างไรหรือมีใครเป็นผู้ทํำรอพุทธบาทขึ้นอันนี้สำคัญ ตามตำนานที่ถูกขึ้นในเมืองไทยเล่าว่าลูษีสัจพันธาบัรเทนตบาทที่สัจพันธ์พัตรีคือเขาผตบาทอย่นี่แลวพระเจ้ากระเดิดเริงยานลุ้งว่รลูซิัจพันธ์มีอินทรีควรแต่เป็นเรนายก็กระเดิดมบโปรดเมื่อโกรธแล้วจะกระเดิดกัดเกาะกัดอินเดียลูซิสัจพันธ์ก็คูณขอให้ทำที่นรักไว้จะบูชาก็องค์จึงได้ปวดร้อยปะบาดอภิษฐานเอาไว้ที่ลาเขากัจพันธ์นบันทศคือเขาผูาตบาอย่างนี้ ตำนานเขาว่านะผูกขึ้นตอนไม่มีในบาลีไม่มีนาตกะาหรือเขาจะมาสลับลีนั่นไม่มีนะในท่านีกามีแต่ไม่ไดูที่ขลับลีสุวรรณนาปัคเตสุวรรณนามสุรามาริเสุวรณนปคเตโยนตาปุเรนี่คือรณฑูเตขาพุทบาทนั้นน่ะมีอยู่ในสุวรรณนามาลิกตหนึ่งสุวรณนบันคสหนึ่งสุวรรณนกูตหนึ่งลิงส่องน้ำนัมมาตาหนึ่งมีเดลกุระหนึ่งห้าแหวผู้โลกมีอยู่ห ไม่นั่นนามทาเวลางไม่เคยได้ยินเดียเป็นสาเล็กๆยังไม่เจียิศวะบาลเหมือนกันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้หรือจะลบทายจะล้าเราไม่กล้าหรือพวกอีสตลายจะทำลายหรือใครจะปุ่ินดียจะทําลายทีหลังเราก็ไม่รู้หรือจะเป็นอะไงตายเราก็ไม่รู้นะฮะมันแต่จะมายายังอยู่ไม่นั่นนามทาเวลานึงเยนกกะปุเร่นั่นคืออยู่ที่ไหนอับขานฤทธิ์ขานหรือสมัยก่อนนี่อะเยนกมึงเยนกเยนกะหรือย่าบันนะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แวิศวะบาลยัคุ้นไม่เจออานได้เลนอยู่ที่ไหนก็มาาแต่่ไพบ แล้วก็ตุลานมาลึกเจดีน่ะลังกาสุวรรณตะกูน่ะลังกาสิยังมีเราพิจารบาทอยู่ที่สุรกูเขาด้วยว่าอยากอาดำตึก๋ยว่บนยอดในวกเขาสูงสุดมือแห่งึิสวรณานพขากันเจงเลยตัวนางเขาอยู่ที่ไหนสมยพระเจ้ากงคามีข้าอุทยาชุดหนึ่งเดินทางไปไหว้พระลังกาพระลังกาเขาบอก่าโอ้คนนี้ก็มากลยี่นี่มาทีลังกาไหว้บาป เมืองทัานก็มีขวบเอ๊ะอยู่ที่ไหนแต่เมืองหลงเราแล้วก็ไปยักกับกาก็ในทุวันนันพนุทธวลาอยู่ในเมืองท่านนล่ละไปหาให้ดูไปหาหาดูให้แน่ถอะพระชุดนี้กลับมาแล้วจะมาถวายพระกอให้พะเจ้าจุนคำจ้ะพะเจ้าจุนคำก็ขออกคำสั่งให้ผู้ข้าหลวงประจจังหวัดสอบหาว่าอยู่ที่ไหน้เขาทกวัันรรพน่ะหาไปหามาก็เดืเ่องผูว้ว่าการจังหวัดสระบุรีจมื่งสระบุรีคานึงถือแกเป็นคมพูนเข้ามา บอกว่าเมื่อไม่ข้าไม่นานนี้มีพราลคนคัวหนึ่งที่พราลบนบุญที่พราลบนบุญเป็นกาเป็นเกลื่อนที่เลอะผิวหนังไปล่าตักในป่าแข่งมือสรักปุรีต่อแานลุกปุรียิงถูกเมื่อตัวในึ่งเมื่อตายเมื่อมันหนีหนีไปในเสกนสาแห่งหนึ่งไม่พรานก็คอยแอบเวลาออกมาก็จะยิงต้ำเฮ้ยออกมาแล้วเมื่อนี้ห้เราแผลถกยิงหายไปยิงหายไปเลย ตานก็แตกใจาตามลอยเนื่อบุ ก, กบอลไปถึงไปเจอลอยข้ามานุษย์ในหล่เขาในลอยเท้ามีแหง น, น้คนรนั้งอยู่ไม่ท้าก็มันลึกว่ะเอาไอเนื้อตัวนี้มันคุณจะมากิน น, าน้าแหนี่ก็มั่งไอลอยแขกถูกสอถึงหายปับไปกับปางเนี่ยอย่าสะไลเลยเราก็เป็นกาเลื่อนอยู่นี่ร้องดูที่เผื่อจะหายก็วัก น, น้ำในรอยเท้าเนี่ยนโทะลุตัวไม่ท้าไอลอยจขกไปเ่อก็หายรับป่ะอันมดิมก็ มาบอกเขาเจะมือตะบุรีจามือตะบันตะบุรีก็ออกไปตรวจนี้เปรอยเ้าคนแน่แล้วก็มีใบบอกกระทำควมทูนขึ้นมาเจ้าไอ้คนทำท่านเป็นปริญมาก่อนนี่เป็นาตมินทร์อันนั้นตะรีพาบุตรหอว่าลักกรเป็นปริมาก่อนจะเสวยร่าพอรู้ข่าวเขาก็เสด็จยุคพยุหะยุคาเสด็จพุหะญาตราไปดูไปดูก็กรธดูลักษณะเห็นว่าโอ้มีมงคลเล่าแปล ถูป้องกับพุทธรัตนพุทธอย่างอง็นเรื่องไสคุมพุทธนักเหนือปากแล้วก็อุทิบริเวียนที่อยู่พุทธบาทโดยรอบหนึ่งเยอะเป็นพุทธบูชาให้พลังสองกล้องตัดถนนจากข้าเจ้าสนุกขึ้นไปหาพุทธบาทตัท้งเงินเบ็ดดีศาลากลางปรีมินวั ด, ด, ดลาาเลยตัง้ง ข, นนขุนโขงทนายข้าพระยุ่งสงฆ์รักษาตั้งแต่นั้นมาก็เกิดเทศกาลบัตรพุทธบาทกลางเดือนสามวันหนึ่งการเดือนสี่วัหนึ่งสองข่าว เป็นปูชนียาฐานสำคันของเมืองไทยถามว่าลอยเท้านี้จริงหรือพระทธเจ้ามาสดใ้จริงหรือถ้าจริงพระพุทธเจ้าคงส่งหรือยังขนาดนี้ถ่าเสียงเงนินคงไอ้ดานกระดาเนี่ลอยข้าลอยใหญ่นี่ไม่ใี่ลอยเล็กๆนละอยใหญ่นะนี่เนะี่ยลอยอ้าแล้วเจ้าของลอยขนาดนี้กนะ็่ต้องคุ้มให้นแ่นเล เพราะนั้นเป็นไปไม่ได้อาจจะว่าในทางโบราณคดีแล้วหรือว่ามนุษยวิทยาแล้วเป็นไปไม่ได้ท่าพระพุทธจ้าจะมีรอยท่าใหญ่เตผิดผู้ผิดตนไม่ไ่านพระพุทธเจ้าเนี่ยขั้นสูงกว่าคนยุนิสธรรมานนี้วเท่านั้นเองคนโบราณนี่ยไปดูว่าพระพุทเจ้ารูปร่างขั้นหญเพราะฉะนั้นอยาเขามว่พะทเจ้ารูปงใหญ่แค่ไหนขั้นจะดูว่าพระพุทธเจ้ารูปร่างใหญแค่ไหนมีตัวอย่างให้ดูเดียวนี้ที่กรุงเทพเนี่ยคนโบราณเชื่อใหา่ขนาดนั้นรู้ก็เตว่าสองท่าอะไร พระเจ้ามาพระพเจ้าประมาลายายช า, ายลีขั้นหลอขึ้นตามการเชื่อว่าพระพุนนพทธเจ้าต่งาาาตงาา อ, อตง ส, อสูงขนาดนั้นลูกเขาตขาทามั่งยังสูงขนาดล่างเลยถยืนสูงแค่ไหนนั่งอะน้าปากตั้งสามวานเนียโอ้น่าปากตั้งสามวานใช่ไหมเขาซ้อตะนี้ไม่มีเลยถ้าถ่ายยืนเลยจะสูงแค่ไหนนั่นแหละเขาขั้นสูงขั้นสูงขนาดนั้และกันนะเราเขาบกสลับอเราเขาพอคือเคลยแ่แล้ ว, าาลวเราเชื่อว่าพระเจ้าสูงใหญ่นขนาดนั้นเชื่อหครับ มันมีความเชื่อของมัติอาจารในลังกาในพระบาหลีไมได้ระบุพระเจ้าใหญ่แค่นั้นเลยถ้าใหญ่แค่นั้นจะไปแลกสังฆติหงกับพระม้ากัดศพได้ยังไงล่ะแลกอีวอหงกพระม้าตัจศพแลกันพระพุทธเจ้าบอกพระม้าตัดศน้าอย่าเลวกับกระปะเขาะ็รู่วงาตางต่างวยแล้วปัจจุบก็เป็นผู้แก่เฒ่าแล้วผู้ดึงควัดติถือมาอยู่ตาเป็นวัดดวงแต่เตจีวาริจเป็นวัดอยู่คูน่าเป็นวัดกินอาหารในบาเป็นวัดน่ะเปนการละบาแต่เธอ รับอาหารจากพระบดีบ้างเะรับพระบิดีจีวนบ้างเอะมาอยู่ที่มุงบางบ้างเะคงขอร้องเระเห็นว่าพระม้ากับจึกน่แตเท่าแล้วแต่มากแล้วพรม้กับกไม่ยอมเพาว่าข้าพระองค์ยังจะขอคุณพองอย่างนี้ตลอดชีวิตพึะจาก็อนุโมทนาแต่ว่าหาไม่ยากอย่างกับศึเนี่แม้จะแต่ดินตานี้แล้วเ็มายอมละเลิกคุณดวงกรวัที่ทาไม่ยากก็ถามมากกตะข้าเคยหประโยนอะไรอรื ที่เธอมาสมาทานพดวงกวาดอย่างนี้แต่พระคูนบอกว่าเพื่อจะอนุเคราะห์กับพิสุนุ่มๆปัิมาปัจจิมาชารในปลายคนในการฝ่ายหลังไม่เกิดมาแล้วก็เยรู้ว่าพระแตในคั้งโบราณท่านยังไม่ละเลอพรดวงกวาดที่กล้าแตะเกิดอย่างนี้เมื่อท่านยังเป็นหนุ่มอยู่ในวันยสตรีก็ได้มีกาลังใจจะเป็นพระฤาษีดวงกวาดทกล้าแข็งอย่างท่นได้ระเจา้ า, ก, าก็มีมโนธรรมแล้วก็ชมเชยยกย่องว่ามหาแต่เกิดน่เป็นมหาเถระอินทียาสมาบัตเสมอกับพระองค์ เอกภพขัดทางนี้โซล่าจีวงโหมกับพระม้าตัศพเอาจีวองขัดข่ากับพระมาตัดศกมาหมแล้วเาจีวัเื่องหให้พะมาตัศพกพริดาลูกหลานใหญ่ยางรู้น่าเป็นภาพละจะไล่รันโหมได้เลยยิ่งว่พระม้าตัดขล้วม่อยู่ก้ราวก็แขงแล้วโหมมาแค่หัวลูกานก็เอาใหญ่แน่ะเพราะจะได้น่ะมีข้อห่งละข้อสองถ้าว่าแต่คิดเป็นอย่างขัๆแพระองค์ลูกหลานใหญ่เต้ผิดผู้ผิดคนอย่างนั้นแล้วก็มึงเป็นเจ้าชายป็นขาดูะ อยู่กินกับนางพิมพาได้อย่างไรนีข้อของข้อสามข้อเกพไญเโตที่คู่กับคนอย่างนั้นแล้เวลาอยู่ในข้างทางภาษาเทเนี่ยทำไมข้าใหญ่โตตัวจริงไม่รู้ว่าอะไรหมเป็นู้เจ้าข้าใหญ่โตนั้นไม่อะบอกใครก็รู้แล้วเลยนั่งถึงกับเพื่ดูแลผู้ถือเจ้าข้าใหเ่ที่คู่กัคน้ทไมพาบ้านจริงไม่รู้ว่าให้มันฆ่าเป็นผู้ถือเจ้าหือไงล่ะถ้ามันฆ่าเนี่ยผู้ถงผิดขาวป็ถือเจ้าเออเพราะงั้นข้อที่จพระบารีแสดงว่าเขาผู้ถเจ้าเอง รู่ง่ากนเป็นปกติสามวันโดยทงแต่ใหญ่โตกว่าคนปัจุบันก็ไีองคุรีหรอเพราฉนั้นเราพบาทใจ่โต่สระอุรีก็เนราพะบาดที่ชาเขาเ็องค์ไม่ดับแต่จัดเป็นองค์เทวีัป็นดีแต่ว่าสงคัญคือว่าเราอยูกับผู้นำชาวบานเขาเชื่อเขาเดียวกันนะฮะถ้าพวกที่ผู้เท่าผู้แต่สามันหลอกเขาเชื่อว่าเป็นเราพินิจมากดได้เราจะได้ห้าคาถาเขานห้มุนาเล่าเรื่องเขาจะทำลายเด็กเาฟังเตือนคาถา ทเลาะทลาะครับภาษาภาษาพัฒนาแล้วนั่นคือเราไม่เห็โกงเขาเนี่นี่เป็นอุเทนบัรยากาศดีสำหรับคนสร้างอุทถัมภ์ถ้าคุิมีกระเป๋าเป็นธนรักษณะเห็นว่าคุปะศาสนาได้เดินทางมาถึงเมืองใครแล้วจึงสร้างลอยพระบาทคือธรรมกายะดกมาล่ะแต่ขึ้นแสดงของของธามายน่ะไม่มีดีอะไรเท่ากับสร้างลอพระบาทแต่เราเขาก็เองลักษาได้เลยอปมาสร้างนั่ถูกเนี่ยไอรืหลเป็นรืมซาร์ธนลักษะก็คเองแล้วลักษณ บ้างอีกจ่าแล้วไปดูจ่าอีกคูพุทคุณมากห่ัเพราะนั้นเม้จะเป็นรอยที่คุณคนก็งเป็นรายผ้าเราจาาแล้วก็าได้อุติกเจดีบุญใ่ากันอย่าไปเสียกำลังใจว่าเอ้ารอเจอรนใต้ก็คือบุญแมไรบุญล้านนตก็เขาพูดเนคนหล่อคนสังเลเหมือนกันแต่ข้อสำคัญว่าคาผู้แก่ี่ก็เชื่อเป็นยจริเลอย่าไปขัดขาก็เล่าเอาจะพันใดฟังเขาไดุ้ญนี้แที่บ้านนึงโบราณคดีอุติปกเจดีไม่คเข้าใจเลย ประเดี๋ขยข้อมีข้อไล่ข้ออเลยไม่เชื่อเลยเลยทำไมจะทางก็ตบาบับก็มาบ่าวต้อลรักษาต้องดูการังดูตาบริสันต์นี่ตานะครับเรื่องนี้สำคัญเรียนขอเรียนเรียนขอเรียงถามั่งมหาเศรษฐิษผมไม่เคยคือผมผมมาหาเขาที่ไหนใครก็ไม่ทราบแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมแน่นะครับเรื่องรื่องธรราเรืองกระหว่นหนางในรถนี้เราไม่เคยเห็ หน้าตาเลยจะ ว, ว่าอยู่ที่อื่นจากโลกเรานี้ก็ยังเป็นปัญหาเพราะไม่ทราบแน่ครับเมื่อเป็นเช่นนี้จะเมาเอาว่ามีได้ให้มีได้ไหมก็เหตุใดการเจริญทางสมาธิอาจจะยากไปสักหน่อยจะมีทีอะไรอีกไหมที่จะได้เห็นนรกสว่างเทวดาถ้ามีช่วยบอกด้วยจะได้ลงมือทําเพื่อจะได้รู้แน่เสียที เรื่องใ น, นโลกที่ท่านไม่เห็นด้วยตามีเรื่องแยะแต่ท่านเชื่อเรื่องในโลกนี้อย่างเรื um ่องเชื <politik> <everybody> ่อโลกที่เกตาม่หลายเล่าบรรยากาศนี่มีเชื่อโกเป็นจุลินทรีย์ตั้งี่เลกี่้างตัวบินอยู่ท่านไม่ข้องเชื่อมีหรอคือต้องเชื่อมีแค่นักยาสตร์แา่ผู้นิพพานเท่านันแบละมีแข็ง่กัตามล้วสวรรค์กันเหมือนกันู้ผีมีช้างมีสมาบัเป็นวิทยศาสตร์ทางใจเ่านพิถูจนมาแล้วท่านไ้บอกว่ามีเมืนนยาสร์่บอกวมีอย่างนี้เชื่อโลกไปหมด ก็คสือเชื้อโรไเรื่อยคนณมันอไอ้แคตหนึ่งเขาบอีเื้อโตางหลายลาตัวมาากอ่ะไอ้แคตหนึ่งอ่ะเรามองตาปลาที่ไม่ไหลละนี่เราบอกหนึงคนเราบอกว่าสืดต่อเหรไม่ได้นะครับไอ้นึงเอาึ่งตาปล่ามาตัดสินไม่ผมบอกแล้วว่าอินร้องหัดที่เราเนี่ยมีขอบเขตจำกัดตาแมวดีกว่าตาคนตาแมวมองมองที่มนึงเห็นคนมองที่หนึงไม่เห็นตาแมวจมูกหมาดีกว่าจมูกคนเพราะจมูทส่มักเนี่ยเดินสิ่งที่ขายได้กลเมันไม่ได้ สมูกคนก็จะจมัง่เนี่อินทรีของเราม่ีส่งตจำกัดตาลกตาเหี่ยวดีกตาคนตาเรกหาสูงตงเป็นยอดยดเราจะมองเห็นหนูเลกตาคนหนึงอ่ะแรงเห็นล้วดินออกสูงงั้นก็เห็นเราเป็นเรืองหรอาี่แลนี่หนูาแต่ถ้าตาคนเราเรามองไม่เห็นและว่าห่างเท่านั้นเรามองไม่เห็นหละเพราะนั้นอินทรีของคนเน่เนี่ยจะต้องถัดจะวัตถุด้วยกันยังถูกํากัดเลยครับก็ะตนตาไปไกลแบเออคปวรรษ ท่านถมบว่ามีวิธีทีทท่ไม่ต้องทำฌานสมาบัติแต่เห็นห้ะไรไหมมีไหมมีผมแนะนำให้คเรีนวิพาธรรมชาติที่ว่าปัดน้านหรือใดแลวพ่อาปัดน้าตั้งปับขันไปแล้วข้าไป็นนั้นแล้วก็ขั้นสองทับได้รายกี่มัไ่ไปขึ้นไปขึ้นกรรมฐ า, านกับ่าอ่ะวันนี้นที่ทายพระวิชาท่า น, นยังมีตัวอยู่ด้วยว่ัดน้ำนั่นละรครับอยากจะเห็นมาเลก็กสว่างต่ขอเรียนกับาเข้าวิชาธรรมกายรไอ้อเอ่เจพิจาไมาพระองค์กรรมกายก็เงร็ดแล้ว อธิฐานไปติดต่อโลทิพโลกาทิพมาติดต่อทันทีเดียวกวิชาธรรมกายไม่เคยทางเลสมาบัติยังไม่ถึงทางไม่ถึงสมาบัติข้นที่ว่าได้ติดต่อกาพูดเทรดาสีตางอ่ะยังไม่ถึงข้างทางสมาบัติไม่ถึงนะครับแต่ติดต่อได้แล้วเพราะั้นเวลานี้วิธีที่สุดเลสวรรค์นเล้ยที่สุดคือไปดิลิชาธรรมกาอันนี้ไม่ได้ดิลิและมาทามาติดต่อดูก็จะให้นเกสวรรค์เองนะครับอนนี้พราปากน้าก็ใสจที่ต่างคนน่เองเอ่อ ท่านจารุวันโลภิกขา ม, มาว่าอาตมาขอ ถ, ถามผู้ในผู้รู้ในทางอวตาริศาชีโลกที่มนุษย์ของเราอาศัยอยู่นี้อาตมาอยากทราบว่าอากาศนั่นมีความหนาเท่าไรแม้ดินนั่นมีความหนาประมาณเท่าไรอากาศกับดินหนาประมาณเท่าไรน่ะของยาศาสตร์าว่าไฉลาบให้ให้ทราบไหมครับวัดดินทา ง, ทางยาศาสตร์แม้แต่ดินก็เหมือนกันเพราะว่าความหนาของโลกเนี่ย ระยะที่จะถอนายไปถึงไอ้ใจกลางโลกน่ะเวลานี้ยังไม่มีเครื่องมือชนิดใดถอนใจไปถึงเมื่อทอนใจแล้วไม่ถึงวล้เราก็จะมีทางจะวัดการหาที่นี่ก็สู่น้ำดินจากรหรือคลื้นผิวโลกไปสู่ใจกลางก็จะเห็นว่ามันจน่ะมันหาเท่าไรไม่มีทางส่อากาศนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเพราะอากาศเราจว่าวันว่างนะปะมาณกลางหนาไม่ได้ครับท่านเพราะมันมีความว่าม่มีหาหรือบางความว่า ขอเจริญพรช่พูดสังสติให้ฟังหน่อยจะเป็นการตรวจมนก็ได้ขอขอบคุณแทนหนึ่งนะฮะจะให้ผมตรวจมนเป็นทังสติก็ได้ครับแล้วสรวจมหากรุณาอารณีหุเตเจียอนคะะรับนมูลรัตนตรัยญายนมาอารยาวโลกิเตตวรายมหาตวายมาหาตริกายาอมตรตรเม เอกชน n i รรมเ a ่ประกว a รับจิ e r t i ์เย a ยินรับที่เอกชนีเยรับเยก็นกดิมบุตรเลวเกครูไรัชยาประรับกายย i s มไปเที่งสน บบ ต, ติดเบดต่อปัญหาเรื่องสาแสเข้าถือปฏิบัติทุนที่ในท้องมังดาเดียวกันโดยดวงวิญญาณคนคนละดวงแต่เมื่อจะมาเกิดได้ชวนกันเข้าถือปฏิบัติทที่พราะนั้นสงสัยว่าวิญญาณควนกันมาเกิดได้อย่างไรอาตมาเคยฝันไปเที่ยวกับเพื่อนเกลื่อนหลายครั้งเมื่อถามเขาเขาก็บอกว่าไม่รู้เรื่องเมือบเบ่อวันที่21 ต่อปัญหาโลกฝาแฝเข้าถือปฏิบัติในท้องมารดาเดียวกันโดยดวงวิญญาณคนคนละดวงแต่เมื่อจะมาเกิดได้ชวนกันเข้าถือปฏิบัติในท้องนั้นสงสัยว่าวิญญาณชวนกันมาเกิดได้อย่างไรอาตมาเคยฝันไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนหลายครั้งเมื่อถามเขาเขาก็บอกว่าไม่รู้เรื่องสงสัยว่าวิญญาณชวนกันได้เกิดนั้นชวนกันอย่างไรทูริปันโดวิโคทัผู้ถามที่ว่าวิญ ญ, ญาณชวนกันมาเกิดแต่หลายวิธี ผู้ที่มีความสิติพันกันในภาพนี้อธิษฐานายไว้ให้ไปเกิดร่วมกันท้องพ่อท้องแม่เดียวกันชวนกันมาก่อนแล้วตัดจิตายอาการสิตคพานเป็นก็เลยบรรดไปเกิดไปท้องพ่อท้องแม่เดียวกันมีประการหนึ่งมีประการหนึ่งไม่ได้ชวนกันหรอกแต่พระเอลที่ว่ามาแสตามันตัดข้นมาจะร่วมคันเดียวกันน่ะก็เลยมาใจกันเข้าเป็นของไหยยะ คึกตะเตียนที่มีอยู่บางคนในจังหวัดของอัตมากล่าวว่า้าพุทธีความงมงายในเรื่องนมาสการอีกอย่างหนึ่งคือว่า้ิดไหว้คูนไหว้ทองเหลืองเราจะแก้เขาอย่างไรข้อที่ไม่น่าจะเป็นปัญหาเลยเรถามพระเลดไหว้กังเขนล่ะกังเขนทาได้อะไรถางโอ้ไม่กังเขนทำได้อะไ ร, ไ ร, ไะไรแต่ของกังเขนที่คอในเด็กเต้องลูกเาูดมือ่าภาพื้นมือปิดใของลับน่าอุจจาระสุรสีถูกกึ่งกับว่าทมานน้น่ะต้องไปกราบไหว้เด็กลูกน่เป็นเขนไม่จืดเป็นอาต้เขามมนอะไร ทำได้อะไรเรกนั้นน่ะถ้ายกเขาถามบ้างสิทำด้ไม้ก็มีทำด้วิดก็มีทำด้โลหะก็มีทำไมต้องใช้ที่จะไห้หรือจะกราบน่ะคออะ้ก็มีกราบไปทำไมปอสุดทิเช้าไปเลยจะตีอะไรทับปัญหาขอนี่เรื่องเรื่องหรือว่าพี่ไม่ต้งเสีได้อ่าศนาที่ม่มีลูกวัดลูกข้าวน่ะคือสหาอิสลามนอกนั้นมีลูกขาวลดหมดเราไหวเขาพูดแต่มันจะไหวอีกใบปูนนี่เราว่าพุทธคุณน่ะหล่ะ ถ้าเราไปหว้ไหว้ภูเว็ตดิเาไม่ได้ไปได้แค่อิคุนแต่นรัชสัยนี้เป็นสถานะของผู้เจ้าท่นผู้เป็นของที่มีปัญญาสูุดทคุณกุณาคุณได้คุณสามอันนี้เวลาเราสวดมนเมตาเราได้มาสดเอีกบุนฟังนี่นะแต่เราได้รูสึกทุรคุณมคุณมากคุณดิสิ่งนี้เป็นเพียงแต่ขึ้นจิตใจให้รึกถึงคุณท่านผูนี้เั้นนั้นเ้งเราไม่ได้ติดค่รับว่าสุนี้ถ้าอย่างนั้นาก็อดที่ฆ่าทิ้งได้เราจะฆ่าเขาไปทำไมฆ่ามีอะไร แต่เป็นัญลักษ์ของามีลายกั้นเขีแดงเหลืองและเป็นชาตแสชฝรั่งเจ้าของขึ้นตสนามอะไรใครยิยบองคาใจทำไมใจเสร็บร้องอการดูมินาพล่ะอองคาพิทมานี่นะสีมลบาท้องอะไรล่ะอ่าล้วย้อนามเขะบ้างเราเคารบุนชาตเป็นสัญลักษณ์ของชาตขันใดเราไหวลูกเคารบทุเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าขันนั้นและแกไปอะไรกังเขนเรายอนถามเขาอีกนะข้อนี้นะค อาตมามีความสงสัยอยู่ว่าในมหาเวทสันดรชาตดกเป็นข้าสุดท้ายของพระผู้มีพระภาคที่พระเวทสันดรให้ทานหูตาเลือดเนื้อเลยหัวใจออกเป็นทานเป็นปุกกลาติฐานหรือเป็นธรรมาติฐานเป็นทั้งได้ทั้งปุกกะลาติฐานกับธรรมาติฐานครับอยากให้เลือดเนื้อเป็นทานน่ะก็หมายถึงให้ลูกเป็นทานให้หัวใจเป็นทานก็หมายให้ให้เมียให้คนรักเป็นทานถ้ากับไปลวกหัวใจลราออกไป ให้ให้ลูกเขก็ให้เลือดเมื่อเชื่อขายออกไปแต่ที่พระปู่ศิษฐ์ให้เกาะเลือกเป็นทางจริงจิก็มีพระกุญตากให้ทางจริงๆิงก็มีอย่าว่าแต่บริษัทเลยคนปัจจุบันก็ยให้กันได้เลยบริษัทโรฮิตเยอะแยะไปบางโรงพยาบาลอะบริษัทโรฮิตสี่ซีซีสี่ซีซีจะแยกไปนี่ไม่ใช่อังคาบริจาคทังเลยออังคาบริจาคลังเวลานี้มีโรงพาบาลเส้นตุกตาคนเส้นตุกตาคนคนตาบอดนะ ตาบอกคันทีแล้วพ่าลูกตาข้างนั้นออกลูกกระตายคนตายไปหมอนใหม่มาจ่ายก็ไปยังทำให้ตาหายใจคามก้าวหน้าของจักรกขไาเวลานี้มีถึงขนาดนี้แล้วเขาตั้งโรงพยาบาลศิษยลูกกระต่ายคนมีคนบริจาคลูกกระตามีเวลานี้นี่ไม่ใช่ให้ลูกกระตายเป็นคานเลยโร้หิสเป็นคานก็มีบริจาคลูกกระตาเป็นทางก็มีเดี๋ยี้ยังมีเรืองเกี่ยบโคิดสัดตัครับแค่ป่วยกลาประยายกัดสิ่งนหนอนอดผ่างตูนไม่ต้องสงสัยไม่ต้องสงสัยปัญหาตอนนี้ ท่านธรร ม, มะตโรสโพตรถสโพฟิกขุถามมาว่าจะเห็นทุกข์ด้วยวิธีอะไรแน่เพราะบรรเทนบุญหรือเพราะรู้เท่าทันธรรมดาสิ้นกับติ้นอุโบส ด, ดต่างกันหรือเหมือนกันอข้อแรกนะจะเห็นทุกข์ด้วยวิธีใดนะก็ต้องเห็นด้วยวิธีการเจริญวิปัสนาถ้าใรละที่จะเห็นทุกข์แท้บุญญกิริยาน่ะเป็นแต่เป็นบุคคลาของการทํำวิปัสนาเท่านั้นเอง สุเีนสิงกับอูตินุบาสอูโบ่ ต, ต่างกันอย่างไรสิงห์อุบาสอูโบ่ตดเป็นสิงห์จำกัดโดยเฉพาะวันหนึ่งคืนหนึ่งครับทุเรียนเป็นปกติภาบน้ำไม่ไมมจำกัดมีวันมี่คืนได้ทั้งนั้นต่างกันอย่างนี้ครับท่านที่นวโรภิคุถามมาว่าอาตมาผ้าอาตมาท่านหนึ่งในกลุ่มนักศึกษาได้ติดตามรายการของท่านอาจารย์ทุกครั้งที่บรรยายไม่เคยขาดเลยจะขอถามท่านดังนี้หนึ่งท่านเคยไปประเทศอินเดีย อินเดียชีเปลือมีจริงหรือไม่ผมไม่เคยประเทอินเดียตั้งแต่เกิดน้ำไม่เคยออกพุ่งเอาไทไปเลยครับไม่เคยออกข้่เมึงไทยไปไปเลยตั้งแต่เกิดมานะฮะชีเปลือในอินเดียยังมีจริงอยู่เวลานี้ยังเปลือยแก้ผ้าโพนพงอยู่แต่ทางตํารวอินเดียต้องขอร้องว่ากรุณาอย่ า, า, า, ยามาเดินการถนนหลวงที่มีคนต่างประเทศเข้าแจกแนหน่อยกรุณาหน่อยเอถอะใครจะเดินไปเดินตามชนบทไม่ว่าเลยยังมีเดินกันอยู่ชีเปลือเดินแก่ผ้าเอาฝุ่งคลุกทั้งตัวมันอยู่แล้วถ้าทาี้จะเห็นชีเปลือยได้ชัดที่ถุดคือเมืองพาราณสีเดี๋ยวนี้ ตามฝั่งไปนั่งคงคาเนี่ย ไ, ไปหมดไ ป, ไปวันไหนก็เจอวันนั้นตามข้าตักติดแถไมไน้่งคงคาในเมืองพาราสีข้อสองอาจารย์ได้ยินเพื่อนพระด้วยกันเล่าว่าท่านอาจารย์ไม่เคยท่องหนังสือดูทีวีจําได้เลยจริงหรือไม่่ข้อนี้ก็ถึงจะไม่ไม่จริงนะครับไอ้ไอ้ท่องเนะี่ยไม่เคยท่องจริงแต่ไม่เคยดูทีวีจําได้นะฮะข้อสามขอให้ท่านอาจารย์เล่าชีวประวัติเองของอาจารย์โดยสังเขปแม่ข้อนี้เป็นเรื่องส่วนตัวผมกรุณาลดหน่อยได้ไหมครับ ตอนนี้สามหกตแล้วนะครตอนนี้ผมเองก็เลยมีชื่ว oh hmm. oh hmm. ่านกัพิษตานเป็นคนจิงีเวรกรรมหนามากอคุทตุもも่งกรรมอุทรุ anyway> ่งอคุงีบากมากมากกว่าทุกขัานในที่นี้ก็ว่าได้ผมเวลาเนี่ยอคุทรุ่ีบากมาปะเจนมีเจ้ากรรมนายเวรคอยตามทวงนี้กรรมอยู่มากมายทุกเมื่อเชื่อวันมันจะเป็นคนมีเศษโสอะไรมาฮะนะฮะยังเป็นเป็นหนี้ของกรรมอยู่ยังมีเจ้ากรรมนายเวรทวงนี้กรรมแต่อันดีอยู่มากมายสายกองแต่ว่าพยายามทำบังคนบมุริยา ที่ผมเรียนวิยากรยาอยู่ข้อหนึ่งที่ผมอยู่ข้อที่ผมตืนใจอ่ะทั้งหมดในชีวิตเนี้ย่ยข้อนั้นคือเรื่องมันเป็นอภิญฐานเป็นปัจจุบทนจริยาไม่เคยขาดเลยแม้แต่เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งต้องปล่อยสัตว์ทุกเดือนกระทั่งแบบนี้ตั้งปฏิญาณไว้ตั้งแต่เดือนธันวาคมสองสีเก้าสิ 4. จึงกระทั่งแบบนี้เป็นเวลาเกือบปีแล้วไม่เคยขาดอภิญฐานเลยทุกเดือนได้ช่วยชีวิตปาจำนวนหลายหมตัวแล้วคือปลาที่ขาดวาัดโพข่าเดียน แล้วกว่าๆเลยนั่จักรยานทุกเดือนไม่เคยขาดเป็นว่าปบทัติจริยาของผมมาเลยตั้งแต่อธิษฐานว่าจะทำอย่างนี้จนวันตายแล้วก็ทุกครั้งที่ทำก็อธิษฐานให้พระพุทธรรจันทร์ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ในชาตินี้ให้เด็กเจริญทานศีลสมาธิปัญญาในชาตินี้ยิข e like ึ Besides, ้นไปนะฮะแล้วก็เมื่อดับติตไปแล้วมันเยปุมหนึ่งอบายปุมสี้าปมนี้อย่ามาเวียนเกิดอีกขอให้เดเกิดเป็นธมโกสตะเทวบุตรของพระศีอริยเมตไตรปูริสัตว์ุสิท อยู่ในดุสิตจึงกงระท่งพระเสด็จพระมเหสีตรายตระกูลโกศิยานแล้วถ้าได้ฟังคำท่านได้เป็นข้าราชการใจเลยเนี่ยมีอยู่ท่านเองแล้วมีอะไรท่านมหาวีโรภิคุถามมาว่าถ้าพูดกันซื้อสิ่งเชิดหน้าชูตาของวัดพุทธศาสนาในขณะนี้ก็เห็นจะได้แต่พระอุโบสถแต่ถึงสายส่วนประกอบของพระอุโบสถบางส่วนเคยถามพระเสนาบังรูปท่านก็เล่าประวัติจวามเป็นมาพิสดารมากยากแต่การจะเขียนมาในที่นี้จึงขอถามว่า หน้าสระดุ้งเป็นมีเกล็ดหลังเป็นบรรยากาศมีหัวเป็นท่อป้ามีหางเป็นหางหงมีความเป็นมาอย่างไรถ้าเป็นสัตว์มีชีวิตจริ ง, รงก็คงจะพิลึกกึกกืออยู่กับภำชมสตรีไทยว่าผมพม่าหน้าจีนตีมฝรัง่งีะอีกพอฟังคําอธิบายพ้องทั้งความเห็นส่วนตัวด้วยเรื่องหน้ากระดุง้งหน้ามันไม่ใช่มีตัวจริองอย่างในอย่างละอย่างตามโหมดอย่างที่เราเห็นอย่างนี้แหละครับหน้าแล้วกงูใหญ่เพราะนั้นเองคืองูนี่แหละงูหนอนงูหน้า ไม่ใช่ว่แแม้มีงอนครายมีมีเลื้อนหน้าแแม่ตีกระผุ่มมีรอยต่างตวไม่ใช่นะ่ะศิลปินไอเดียของศิลปินจินโนคติของจิตศิลปินต้องการ ท, ทะหลุทเหลาให้มดงามในศิละปะเพราะนั้นลูกหน้าสะดุ้งตาทำทวยโบทถ์อะไรต่จจางต่างพวกนี้อ่ะเป็นเรื่องศิละปะอย่างเดียวครับไม่ได้เกนะี่ยวกับยามากมาครายมึงโบทถ์ให้เป็นพิธีรักให้เป็นจาแดดทาเป็นรูปเรื้อนหน้าเลไม่ใช่เลยแล้วหน้าจริงๆิงอย่างในตานานพารน า, ม า, มาที่แบอกแปลงเป็นคนแปลงเป็นคนรูอะต่างๆเนี่ย หน้ากหน้ากะโลกคนท่านหญ่จมาเที่วเมืองบาบาหครับหน้าโลกของหน้าเนี่ยไม่อยู่เว้ไม่ยังไม่อยู่ไปง่ยอยู่ที่เกาะลังการนี่เองอะเรียกว่าหน้ากะทวีเกาะพยาหน้าหน้าหน้าทวีเกาะพยาเกาะพญานหน้ามีคํานวัชการคํานััชการแป่ภาษาลังการนามคดนัมคดลังการเขาว่างเขานััการรับจาเป็นหน้าโลกแล้วมีคนสงสัยนะเชื่ว่าหน้าโกมันเมืองใต้บาบาลใช่ไหมเนี่ย วันคันทะคุณโอเปตัมเอตมัมกุตุมะคันเถเู้ยามีมูนินดัสาสิริปาจะรโรรูเหคมีบุตรทำกุตุมานเนานาปุเาาเาเาาา่เกนนเเนจะผตุโมคำคณสาระปฏตนาดีเนาตนัตระนังตินาสิลกดีปัตับุบทรทำู้ยามีโมโณดัม สุขันธีนานางขันเทนาภูษยามิตราเจตม์ฤทธธรรมธรรมังเจสังคังสุขะตัปสุขตาลุสวานาคโลกเกจดูเปหลังกายังยำเจตสดีเปอินทสัุพรวะเรนาคโลกเกจภูเปมาดูคำว่านาคโลกขออนุญาตจังอุตตะในน่าคโลกด้วย ตอนนี้ขุนหลวงเอจะได้ไว่านัมาตการถือปะคือผะะู้เดี่ยวาหลกจะได้ไว่ายังไงกันหารู้ไหม่ไหน้าขลกคืจะถือไปในบทมนคาถ า, าในที่นี้อ่ะหมายที่เกาะเะเล็กาะหนึ่งปลายแหลมต่อจากเกาะลังกาเรียกว่าหนาคดีปะไปหลังเรียกว่าแหลมจัดนาเวลานี้ตอะนั้นในนรคดีผู้แตาสาใหาขาที่คานาบเมือพยานา่าพยานา่น า, นาไปมือหน้ามือหน้าคืนมาที่นี่เองมนุษย์ในที่นี้หนจะวดหน้าเพราะกํามูแห่งนี้เรียว่ามือหน้า หน้าคโลเกจะถูเปยขอนมัส ก, การถือ ป, ปักในมุ่งหน้าคัลโลกุยเถอะคือที่ในมุ่งหน้าคัลโลกในสมัยโบาราณนี้มีมพระเจดีก่อขึ้นว่ายว่ายพระบรมธาตุเขาไม่คุน้นไปเจ้าว่ว้ว่ า, ยวายอย่างนั้นเพราะงั้นหนึ่งคันควยโบดเนี่ยพระเจดีย์มีพญานาคดีๆเรื่อยๆนะครับในไทยนะครับในขอน้อนี้เออีกท่านหนึ่งถามมาอินสกันโยพิคุถามหมาว่าเป็นด้วยกรรมหรือบุคกรรมอันใดจึงได้เกิดมาเป็นคนกระเทย แนะนำด้วยว่าจะขัดแก้ไขยอย่างไรกรรมอันนันตจริงจะหายหรือแก้ไม่ได้จะแล้วคนที่อยากแต่งานแต่ก็ไม่ได้แต่งอยู่จนแก่เข้าตายไปอันนี้จะเป็นกรรมอะไรหรือว่าเขาคนนั้นม่มีบุพเพสนิว่าิึงขาดคนเข้าหุ่นตัวนหัวใจอย่างนั้นหรืออะไรหรือเป็นด้วยอํานาจจิต ด, ดวงไหนกรุณาช่วยเฉลยให้แแจ้งด้วยบุพลกรรมที่ทำมาให้เป็นกระเทยนะ่ะกระเทยมีสองแบบกระเทยทางกายพวกหนึ่งกระเทยทางใจพวกหนึ่งสําหรับกระเทยทางใจนะ่ะ มีเอาอาวัยวะเพศเหมือนคนเราทุกอย่างไม่มีอะไรบกพข้อหรอกอครับแต่เกิดมาล่างเป็นชายใจเป็นหญิงหรือล่างเป็นหญิงแต่ใจเป็นชายมีรัศมียมโ อ, โอเคียงไปในทางรัก เ, เดียวกันนี่เปนกระเคยทางใจพวกนี้มันเกิดจากบุคลธรรมตามีผมไม่ได้ใช่นะไม่จะมีรัศมีที่ไหนหรอกอันเนี้ยตอนมีผมเสกเกิดเป็นรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าใครเกิดเป็นผู้ชายมานนานตัางห้าแสนข้าจะรู้ทายพอท่าที่ห้าแสหนึ่ง เกิดเป็นผู้หญิงมันตั้งตัวไม่ทันไอ้ความเคยชินที่เกิดเป็นผู้ชายมันต่างหาแสนพลาดพอพลาดนี้เกิดเป็นผู้หญิงปั๊บไอ้ควาเคยชินที่เป็นผู้ชายมันติดมาด้วยทําอะไรมันก็จิตใจเป็นผู้ชายเป็นอกสามต่อพูดบ้าด้วยอย่างอกสามต่อมาก่อนไอ้สิงที่เกิดเป็นผู้ชายมัหาแสนพลาดจริงๆอะเหมือนกันเกิดเป็นผู้หญิงก็หาแสนห้าแสนพาดพอเกิดเป็นผู้ชายในพลาดเป็นห้าแสนหนึ่งตั้งตัวไม่ทันจิตใจตั้งตัดตัวกระเหตุกรรมไม่ทันเกิดมาก็เอามีสายผู้หญิงติดมา นี่เป็นขันใจอุปกรณ์อื่นอาจจะมีนอกนี้เรามีแต่ยังไม่ทราบสำหรับกระเทยประเภทมีคาวยอเพศพิษไปอย่างนี้แล้วก็มีมีนาจจะคาถาเล่าไว้คือผู้บรรดาพวกนี้เป็นพวกอุปโตพยัญชนะกัปอุปโตในพยัญชนะกัมีเครื่องเพศสองอย่างในตัวกระเทยแบบนี้เป็นพ่อ่าติตะปางก่อนชอบประพฤติผิดไปตามงชอตอนตัดอุปกรณ์ทําให้เกิดมาเป็นอุปโตพยัญชนะกั แขายอย่างไรเป็นอุปกรณ์แล้วนักเกอรที่เป็นอุปเตวะอย่างธนาจา่าพวกนี้เป็นเหตุปุกกะปฏิสสธที่บุคคลไม่มีทางแก้ไม่มีนอกจากก็ไปผ่าตัดถึงผ่าตัดอย่างไรก็ทางวัตถุผ่าทางวัตถุให้ทางใจยังผาไม่ได้เหมือนกับผู้ที่เป็นทางใจอ่ะไปตีข้อโมนรักษายัางไงมันก็ไม่แค้าที่จะหันเข้ารายเดิม ตัวคนที่ไม่แต่งานจนเ่าจนแก่ตายไปเนี่ยผมว่าคนนั้นมีบุญนะไม่มีคู่มาต่อการเดือดร้อนน้ำมีบุญแล้วไม่ควรจะเสียเสียใจควรจะภาคภูมิใจว่าเราเนี่ยนะแม้ไม่รอดในพันนี่เรารอดเป็นคนหนึ่งที่มีคู่น่าจะภาคภูมิใจเนี่ยเื่อจะภาคภูมใจอย่างยิ่งทีเดียวว่าเรานี่ราดแต่รอดผู้ไปได้ไม่ต้องเกิดเป็นขี้ข่าคล้ใยๆไม่ต้องอาบหรือต่างน้ําหาเงินหาทออกมาเลี้ยงรวมภูเื็ตเขา หาเงินเขาเข้าหลายเรื่้าใช้เราเองเข้ากระเป๋าเราใช้เข้าห้องเราหาเด็กลำพักลำลำแข้งพวกเราแล้วก็เข้าห้องเราเองไม่จงเล่นแบ่งให้เมียใช้ให้ลูกชายไอ้นี้ยไอ้ลูกมันเป็นโต้านี้เจ้านี้นะครับล่ะพอทุนหนี้เราอ่ะก็ลุงปอมเราลุงจินจินแรงงานของเราเนี่ยออยู่ดีดีไม่ไหวดีแล้วก็ไปขวายข้าวเรี่ยเข้ามาหาบางอยู่คุณบางคนอยู่คุณระเมืองคุณะจังหวัดเนี่ยอุตส่าห์ดิ้นเดินไปเรียกเข้ามามาเป็นนายเราเลยมาเป็นมามาลุมขึ้นเลือดเลือดเชื้อเราออกไปเี่เข้ามา ไอ้หหลหมอนนไสร้างเขาขึ้นมาแล้วก็มาลุงปอมลุงกินเราแล้วก็ตอบเหนือทงานตัวเป็นเียมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเลี้ยงเมียทุระไป่ใอยู่ตัวคนเดียวสบายกว่าอยู <c> ่ <oughs> อยู่ตัวเดียวสาไอ้ตามาคุณนไทว่าจะเป็นโอชยสบสี่ขัวหมไหลายเสร็จแล้วก็เบื่อแรกเดืแรกผมกได้ตามาามาก็คือว่าต้องมีขี้ข่าลูกขี้ข่าเมียทางานอาบเหนื่อยต่างน้าถ้าคิดยังเอาลูคิดมาคิดยังหัวการค้าแล้วกาไรไ่พอขาดทุนกำไรได้สบาทแต่เป็นี่าตลอดข้าทุอะไร ไม่มีระเบิดตั้งนานแล้วครับนะฮะข้อเนี้เพราะฉะนั้นถามว่าพ่ออะไรพ่อข่ า, ขาดไปเพื่อนที่บ้านได้อะไรข้อนี้เข้าใจว่าหนึ่งอาจจะเคย้าคู่เข้ามาชาติก่อนถ้านี้จริงรักหมายสมรักสองถ้าหากว่าสิตใจในคนกวาดเจ้าหรื่งหาคู่ก็ต้องถือว่าเป็นบุญของเราแ ล, แล้วเราต้องเคอที่ฐานของประจันในชาติก่อนถ้านี้อำนาจบุญจริงคอยปัดไอ้พวกเจตกรามในเวรตะเคยทีจะมาเป็นเมียเป็นผัวให้ทนๆกระแสตัวเราเราต้องถือว่าไอ้เมียผัวเป็นเจตกรรมในเวรเรานะ ลูกเมียผัวนี่เป็นเจตกรรมในเวรนั้นน่ะเป็นไงขอมาตามขึ้นเราเนี่ยมีอยู่สองฝ่ายวันนี้สามสุกแล้วนะครับขอแล้วนะครับการอุปโของมหาเมกะพุทธที่ได้จัดการอบรมขึ้นเป็นเวลาสองวันทั้งทั้งหลายเรื่องพระอินทรที่จะนํามาบรรยายในวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องทางโบราณคดีกับสารคดีประกอบกันคือพระอินทร์เป็นเทวดาที่เราชาวไทย